อ่าวพร้อมชยช้าๆไม่ต้องรีบ นั่งเก้าอี้อย่าพิงนะ อ, อย่าพิงอย่าให้ตัวมันงอให้กระตั้งตรงยกจิตผู้รู้แล้วลึกไปที่ใบหน้า แล้วก็รู้คลออยู่ทั่วบริเวณใบหน้าเพื่อหาสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาให้มีกำลังแล้วก็ยกจิตผู้รู้เข้าไปที่นิมิตให้ใจเข้าให้สุด หยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมที่กระทบและปล่อยลมไม่ไหลออกมาจิตผู้รู้จะทำหน้าที่แค่รู้ลมที่กระทบและก็เฝ้ารู้อยู่ที่จุดกระทบ แม้มีสภาวะอันอื่นก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปใส่ใจแค่รู้เฉยๆแต่หน้าที่หลักคือรู้ลมที่จุดกระทบลมโฟตภพาร์มที่กระทบกับกายประสาทก็หมายความว่าที่จิตผู้รู้เข้าไปรู้สึกได้ถึงการกระทบของลมกับกายประสาทแลรู้รู้ลมที่กระทบนั้น่ะ ลมที่จะเฉพาะลมที่กระทบเราเรียกว่าโผทะพารมจิตผู้รู้จะทำหน้าที่เพียงแค่รู้คำ ว, ว่าแค่รู้คือว่าไม่ได้พยายามไปปักลงในที่ลมกระไม่ได้ไปปักพยายามปักลงไปที่นิมิตหรือที่ใดที่หนึ่งมันมีแค่อาการที่แค่รู้แค่รู้ลมชนิดที่กระทบกับกายประสาท ลมนั้นเราเรียกว่าโผฏฐารลมจิตผุรุษมีอาการแค่รู้ทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลมนั้นที่คลูดออกไปที่คลูดเข้ามาตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมค้ารู้ตามความนานของลมที่คลูดออกไปค้ารู้ตามความนานของลมที่คลูดเข้ามา ความรู้ตามความนานของลมที่ครูดออกไปความรู้ตามความนานของลมที่ครูดเข้ามาจิตผู้รู้ก็ทําหน้าที่แค่รู้ลมที่ครูดออกลมที่ครูดเข้า ความพยายามพอดีพอดีนะอย่าพยายามเพื่อให้มันชัดขึ้นมาทันทีที่รู้ในลมแรกเอาที่ว่ารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าเราทำหน้าที่แค่รู้มันทำหน้าที่เข้าไปแค่รู้ลมแรกมันอาจจะเป็นลมที่ไม่ค่อยชัดเราก็เราก็เอาตามความเป็นจริงอย่างนั้นเลยทําหน้าที่แค่รู้ไป ชัดก็ขอให้มันชัดไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ชัดเพราะเราไม่ชัดก็ขอให้มันไม่ชัดไปเพราะตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ไม่ชัดเพราะเราเพราะทําเมื่อใดที่มันชัดเพราะเราเราก็จะมีความพยายามที่จะให้มันชัดพอมันมีความไม่ชัดเราก็จะมีความไม่พอใจมันไม่ชัดมันก็ไม่ชัดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเรา มันชัดก็ชัดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราเพราะอนั้นลมแรกที่เขาเกิดขึ้นที่จิตผู้รู้เข้าไปรู้ลมผูฏฐาภารมเขารู้ได้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปตั้งทงไม่ต้องไปปักหมายว่ามันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เมื่อเรารู้องค์ประกอบได้ชัดเจนแล้วก็ทำหน้าที่ แค่รู้ลมที่เป็นโผฏัาปารมคือลมที่มันคลูดออกไปนิ่งนิ่งอยู่ที่เดียวเฉพาะจุดที่กระทบตามความนานตามความนานตามระยะเวลาที่มันคลูดออกไปนิ่งนิ่งมันอาจจะรู้ชัดอาจจะรู้ไม่ชัดอาจจะรู้หนักอาจจะรู้เบาก็สุดแท้แต่ ขอให้มันรู้ไปก่อนแล้วก็ข้าวู้อย่างนั้นแต่ไม่มีความพยายามในการที่จะปักเข้าไปให้มันสนิทปักเข้าไปให้มันชัดแนบเข้าไปให้มันถึงน้ําถึงเนื้ออะไรอย่างนั้นไม่มีความพยายามแบบนั้นตํำนาที่เพียงแค่รู้จิตปุรู้ก็จะเป็นอิสระง่ายขึ้นถ้าเรามีความพยายามปักลงไปปักลงไปปักลงไป ป, ปักลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ ความเป็นอิสระของจิตผู้รู้น้อยลง ถ้าผู้รู้มันหลุดออกไปลงไปในลำตัวไปที่อกไปที่ท้องไปถึงรามแรงกลับเพื่มและไปค้างอยู่ที่อื่นเนี่ยไม่ต้องไปไปทำอะไรมากแค่ยกกลับมาเพื่อมารู้ลมชนิดที่เป็นโพัิพารล์ยกกลับมารู้ลมที่เป็นโพธิภารลมแล้วก็ไม่พยายามไปบัง กดผู้รู้ให้ไปแนบอยู่ที่ผูฐาพารลมนะก็ทำหน้าที่เพียงแค่รู้ยกกลับมาแล้วก็แค่รู้เข้าไปรับรู้ลมที่กระทบกับกายประสาทส่วนช่องจมูกนั้นแค่รู้ไปก็มีกำลังรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นน่ะรู้ตามที่เขารู้ได้เองของเขาไม่ใช่รู้ไปตามความตั้งกัดจงใจของเรารู้ไปตามที่เขารู้ได้ตามกำลังรู้ ของเขาที่เขาสามารถรู้ได้รู้ไป ในตะหนัาที่จิตผู้รู้เฝ้ารู้ลมที่เป็นผล้ถัพพารมตามความยาวตามระยะเวลาของลมที่มันเกิดนั้นมันมีกิจที่จะเสริมข้าไปได้สองอย่างอย่างแรกเลยคือเพิ่มฉันทะเพิ่มฉันทะหมายถึงการสํารวมรู้ที่จิตผู้รู้ สํารวมรู้ให้ลงในอาการที่โน้มเข้าไปเพื่อการรู้โภตพภารมนั้นอย่างมีฉันทะคือโน้มสํารวมรู้เข้าไปเพื่อสํารวมเข้าไปให้ตัวรู้ที่มันอาจจยังกระจายอยู่ให้เขารวบรวมผู้รู้นั้นตรงเข้าสู่โภตพภารมอย่างมีฉันทะ ในลักษณะของการโน้มรู้เข้าไปโน้มรู้เข้าไปทำหน้าที่แค่รู้ลมชนิดที่เป็นโพธพารมทำหน้าที่แค่โน้มรู้ไม่พยายามไปปรับไปกำหนดไปแนบอะไรมาก ทำหน้าที่แค่โน้มรู้เข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวเกิดของฉันทะโน้มรู้เข้าไปรู้บ่อยๆนี่เป็นกิจเสริมของการรู้ลมนอกจากเขาทำหน้าที่เพียงแค่รู้แล้วให้เขาทำหน้าที่โน้มรู้เข้าไปโน้มเข้าไปโน้มเข้าไปในลักษณะของการสำรวมรู้ ตอาการรู้ที่ตรงก็ไปถูลมที่เป็นโพตพารลมก็จะรวบ ร, รวมรู้เข้าไปแต่เขาขับไปแตะแค่รู้ไม่ใช่รวมรู้แล้วไปวางอย่างรุนแรงไม่ใช่รวมรู้ทําหน้าที่แค่รู้การโน้มรู้นี่เป็นเป็นทางแห่งฉันทะโน้มรู้เข้าไป พลลมสงบกายวิเวกกายวิเวกคือกายนิ่งจิตผู้รู้รู้เพียงแค่มีกายอยู่ แค่อยค่อยค่อยค่อยถอนจิตผู้รู้ออกจากโสตภารมเพื่อไปที่มือข้างขวาโดยการขยับนิ้วมือขวานิดนให้ผู้รู้ก็รู้สึกแล้วก็เคลื่อนมือขวายกมือขวาขึ้นวางมือขวาไว้ที่เข่าข้างขวา แล้วก็ขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้ผู้รู้รู้สึกค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็พามือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้ผู้รู้รู้สึกยกผู้รู้ขึ้นมาสู่เฉพาะหน้าพ่าหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิให้ทรงผู้รู้ไว้ให้ทรงผู้รู้ที่เป็นโผตับพาลมไว้ อย่าเพิ่งให้กระตายกระจายแตกเพื่อที่จะสรุปเรื่องที่บรรยายเมื่อเช้าห้านาทีให้พวกเราเอาจิตผู้รู้ยังคงวังอยู่ยังทรงตัวอยู่และลองฟังสรุปว่าเมื่อเช้าเจตนาที่พูดเพื่อให้เราได้ไปใช้ไปใช้จิตผู้รู้ในระหว่างวันเพื่อเดินมัก ให้ทรงจิตผู้รู้ไว้มันต้องมันต้องแคร์จิตผู้รู้ของตัวเองด้วยนะเรียกว่าสำรวมรู้ไว้เพื่อให้ใช้จิตผู้รู้ไปเดินมักในระหว่างวันเพื่อความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจาและใจเพื่อดำเดินเข้าไปถูกเส้นทางของมัจ ฐานสำหรับที่จะให้เข้าสู่มักนั่นคือใจสมาสมาธิสมาสมาธิเกิดตอนไหนสมาสมาธิก็เกิดจากการที่จิตผู้รู้เข้ารู้โผตพรารณ์โดยการทำหน้าที่เพียงแค่รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางในขณะที่ทำหน้าที่เพียงแค่รู้โผตพรารลมนั่น จิตผู้รู้จะมีโอเบขาเป็นฐานความความทำหน้าที่เพียงแค่รู้มันจะทำให้จิตผู้รู้นั้นไม่มีตัณหาอุปาทานปัจจากอภิชาโทมนัสเรียกว่าหยุดอยู่คงเหลืออยู่ที่เพียงแค่รู้ ความแค่รู้ที่เป็นต่อเนื่องต่อพุถัภารมนั้นแหละเป็นสมมาสมาธิเป็นสมาธิเป็นความตั้งใจตกเป็นสมาธิเมื่อก็ยกออกมาตัวกำลังของสมาธินั่นที่เป็นฐานให้กับจิตผู้รู้ทำให้มีการเห็นเห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอะไรที่เกิดขึ้นผิด ก็รู้ว่าผิดอะไรที่ถูกก็รู้ว่าถูกความรู้ที่เห็นตามความเป็นจริงนั้นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแค่ความรู้ที่เห็นตามความเป็นจริงนั้นในส่วนที่ผิดเกิดความพยายามในการละเกิดความพยายามในการเข้าถึงส่วนที่ถูกความพยายามนั้นก็จะเป็นสัมมาวายามะ มีสติในการระลึกลงไปเพื่อการละสิ่งที่ผิดมีสติในการระลึกเข้าไปเพื่อการเข้าถึงสิ่งที่ถูกสตินั้นแหละเป็นสัมมาสติซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาศัยจิตผู้รู้ที่เกิดขึ้นจากสมาธิอาศัยฐานของสมาธิที่เกิดขึ้นจากการที่มีจิตผู้รู้ตรงต่อโภทภารม นั่นเองและเราก็ใช้จิตผู้รู้นี้ไปในชีวิตประจำวันของเราเมือ่อคราใดที่เราไม่แน่ใจว่าสภาวะรู้ตอนนี้เป็นจิตผู้รู้ที่เป็นกลางหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะยกจิตผู้รู้นั้นเข้าสู่โพธิพารม์ทันทีแค่แค่หนึ่งคู่หรือสองคู่ลมหายใจ จิตผู้รู้ชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีถ้าเราใช้ความเพียรทำต่อเนื่องบ่อยๆประกอบกันแล้วก็ตรวจสอบสภาวะของตนเองแบบนี้เพื่อการเดินมักในชีวิตประจำวันของตน และต่อไปการเดินมักได้มันจะเป็นบารมีให้กับผู้ปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมมักในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเรียกว่ายังมีอาสวะอยู่เนี่ยมันมีแปดแต่ว่ามักของพระอริยเจ้านั้นมีสิบสิบคืออะไร นอกจากสมาธิถิสมาสังเกปะสมาวจาสมมากัมมันต์าสมาอาชีวะสมาวายามาสมาสติสมาสมาธิแล้วยังมีมรรคข้อที่เก้าเรียกว่าสัมมาญานคือความรู้ชอบความรู้ชอบความรู้ถูกต้องเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในไหนในจิตผู้รู้นั่นแหละพอความรู้ชอบความรู้ถูกต้องข้อที่สิบคืออะไรก็คือสัมมาวิมุตติ เมื่อความรู้ชอบความรู้ถูกต้องนี่พูดได้ง่ายๆว่าความรู้ชอบความรู้ถูกต้องจะมีองค์ประกอบแปดประการนั่นเนี่ยของพระริจเจ้าเนี่ยเขาจะพ้นจากทุก์เป็นสมาวิมุตได้ก็อาศัยอาศัยความประชุมพร้อมกันนี่ว่าถ้าเป็นสาสวะของปุตชนก็มีแปดของอริเจ้าก็มีสิบ พระอริยเจ้ามาจากไหนก็มาจากปุถุชนนั่นแหละถ้าไม่มีปุตุชนจะมีพระอริยเจ้าได้อย่างไรไม่มีแปดได้จะมีสิบได้ยอย่างไรเพราะฉะนั้นความแน่วแน่ความมั่นคงในการปฏิบัติของเราเพื่อที่จะยกความปรับเปลี่ยนเข้าสู่กายวาจาใจของตนเพื่อการเดินมั่ในชีวิตระหว่างวันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นได้จะต้องทำกันทันที วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรพักเช้านะกราบพระแล้วก็พัก